วันนี้เป็นวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2558วันนี้เป็นวันขึ้น14คำนะคณะทายาิโยมลูกหลานเป็นวันป ร, ปรงผมของพระเป็นวันโกนวันพรุ่งนี้เป็นวันพระใหญ่แล้วก็คงจะออกไป ฉันข้างนอกจะราใหญ่แล้วก็พระที่มาจากวัดปวร์ที่มีกําหนดกําหนดที่จะลาศิกขาอยู่แล้วนะเมื่ออุโบสถไปไม่กี่วันข้างหน้าจะไม่ปงผมก็ได้นะไม่ปงผมก็ได้เพราะเหตุไรเพราะไม่ผิดวินยัยวินัยของพระสงฆ์ พระพุทธเจ้าท่านกำหนดให้พระภิกษุปงผมหรือโกนผมไม่ให้ยาวเกินสองสองข้อนิ้วมือหรือประมาณสองนิ้วถ้าหากว่าเกินกว่านั้นถึงจะไม่ถึงเดือนก็ให้ปงแต่ถ้าหากว่าไม่เกินกว่านั้นไม่ต้องปองเลยก็ได้สมมติอย่างคน ไม่มีผมขนหัวล้านไม่มีผมเลยอันนั้นจะไปปรงไม่ต้องปรงหรือว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันสั้นมันไม่ยาวไม่งอกงามไม่ต้องป่งก็ได้แต่ถ้าวเกินกว่าสองนิ้วขึ้นไปต้องปรงต้องโกนถ้าไม่ปรงปรับอบัตทุกกฎผิดศีลของพระเพราะนั้น ขนาดสองเดือนหนึ่งหลวงพ่อว่าก็คงจะไม่ยาวไม่ยาวถึงขนาดนั้นมัง่งนะนี่แหละอันนี้ก็คือมาตรฐานคว่าพิบิ น, นัยบัญญัติพวกเราต้องดูดูกระจกเงามาเห้ยาวเกินกว่าสองข้อนิ้วมืออันนี้ก็คือพวินัยแต่ตามไม่จริงเราป่งเลยก็ได้ไม่เป็นไร ปเป็เจียดายทำไมผมเผลอๆยังเป็นศึกออกไปเลยยังเป็นได้กําไรค่าก๋วยเตี๋ยวอีกหลายเดือนประหยัดประหยัดประหยัดค่าตัดผมนะเอได้ก๋วยเตี๋ยวหลายถ้วยเหมือนกันโ <c oughs> ปร่งผมอันนี้ก็คือนั่นแหะวันปันพุงนี่แหละเป็นวันเป็นวันพระใหญ่วันนี้เป็นวันปรงผม แล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ศรัทธาญาติโยมช่วงจะเข้าเทศกาลปีใหม่นะคณะศรัทธาญาติโยมทางในครัวก็อันไหนควรจะเตรียมตเตรียมไว้บางทีแขกคนที่เข้ามาโดยที่เราไม่ได้คิดล่วงหน้าไว้ก่อนอาจจะมีเพราะนั้นเราต้องเตรียมเตรียมทุกอย่างนะพอเราเป็นวัดจะวัดเล็กก็ไม่ใช่จะว่าใหญ่ก็ไม่ใช่นะ เดี๋ยวนี้มันจะค่อนข้างไปทางใหญ่นะถึงจะอยู่ในป่ารงพงไพยสัตยาญาติโยมพี่น้องลูกหลานก็อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นไม่คาดคิดเดี๋ยวก็กลุ่มนั่นมาเดี๋ยวก็พระสงองค์ข้าเจ้าเข้ามาพักพาอาศัยพวกเราเป็นเจ้าของบ้านนะต้องตื่นตัวนะพระทุกองค์ในวัดของเราจ อ, อยู่แบบตะกอนก่อนก็คงไม่ได้ เราต้องตื่นตัวดูช่วยๆกันดูรับผิดชอบอันไหนอันไหนควรอันไหนดูแลอย่างไรเสนาธนะที่พักภาอาศัยตลอดถึงที่วัดวาศาสานาทุกแห่งนั่นในวัดของเราให้เป็นให้ถือว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกองค์ จะต้องรับผิดชอบร่วมกันจะให้ผู้ใดใครผู้หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบไม่ได้โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งผู้ใหญ่ที่เป็น ผ, ผู้ใหญ่ที่นั่งจากเลี้ยงจากหลวงพ่อลงไปอันนี้เราถือว่าเป็นพระพี่รุ่นพี่รุ่นพี่ต้องดูแลรุ่นน้องเหมือนกับพ่อหลวงพ่อเป็นพ่อเป็นเจ้าของบ้าน แต่ถ้าไม่พึ่งพาอาศัยลูกจะพึ่งพาอาศัยใครก็ต้องพางพึ่งพาอาศัยลูกถ้าลูกไม่เอาทานมันหนักใจใข่หนักใจพ่อเหมือนกันนะเพราะอะไรพอลูกไม่รับผิดชอบเพราะนั้นลูกทุกคนเป็นผู้ใหญ่ที่พ่อได้สั่งเสียสั่งสอนมาแล้วฝึกมาแล้วว่าให้ปฏิบัติอย่างไรให้ทำตนอย่างไรให้ดูแล ว า, าสนาแทนพ่ออย่างไรรุ่นพี่ๆทั้งหลายแหลดจะต้องช่วยกันดูไม่ใช่ว่าจะมอบไปแต่พ่อสั่งซะก่อนยังค่อยทำแสดงมาลูกเลี้ยงมาแล้วไม่รู้จกโตเป็นเบบี้อยู่ตลอดพ่อแม่สั่งเสียสอนมาแล้วควรจะปฏิบัติตนอย่างไรมีแต่งองแงอยู่ตลอด เออพ่อแม่ก็เลยอยากจะเอาให้เอาใจจนตลอดทั้งที่อยู่นานเท่านานเอเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อแลไล่เนี้ออกจากวัดให้หมดไม่ว่าญาติมาว่ายโยมไม่ว่าพระวานเนรหลวงพ่ออยู่องค์เดียวจะไม่สบายดีกว่าเหลยมันจุ่งเหยิงวุ่นวายทุกวันนี้ก็เพราะว่าพวกเราท่านทั้งหลายก็ามาเกี่ยวข้องนะเอมันก็เลยยุ่งเหยิงวุ่นวายถ้าหลวงพ่ออยู่องค์เดียวเว้านั้นไปที่ไหนก็ได้ ปิดประตูให้ดีแตแต่ละวันเอออยากให้ใครมาใกล้เออนี่นแหละอันนี้ก็หลวงพ่อก็เห็นว่าจะเกิดประโยชน์ต่อพุทธศาสนาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ศาสนาจะอยู่ได้ก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันไปมาหาสู่กันเออผู้ที่พวกเราท่านทั้งหลายมากันเนี่ย อ, อมากันมาเพื่อเชิดชูบูชาพระพุทธศาสนานี่ยก็มาศึกษาเรียนรู้ จากนั้นก็เมื่อเราได้มาอยู่แล้ก็ยงเอารับลองดูลุ่นน้องๆเพื่อเข้ามาแล้วก็จะเด็ดแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวต่อไปภายภาคหน้ารพระพุทธศาสนาก็จะยืนยงยาวต่อไปภายภาคหน้าเพราะเหตุไรเพราะพวกเราเป็นรุ่นพี่ก็แนะนำเราได้ความรู้ความฉลาดมาจากไหนที่เราได้มาเนี่ย ที่หลวงพ่อได้มาได้มาทุแจะสมัยเป็นเนนน้อยอายุสิบ2อ็ดสบสองปีจะรู้ได้ยังไงเขาบอกว่าบวชเข้ามาอยากจะได้บุญตัวเองก็ไม่คิดว่าบุญนั้นคืออะไรพ่อแม่พี่น้องวงศาคณาญาติไปไปบวชซะบวชจะได้บุญเพื่อจะให้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาอยู่ในพระพุทธศาสนาจะได้ บุญกุศลจะได้ตกมาถึงพ่อแม่ผี่น้องเขาไปบวชหน้าตั้งใจภาวนาตั้งใจปฏิบัติหน้าเพื่อจะให้บวชเข้ามาแล้วพ่อแม่จะได้บุญตัวเองก็ได้บุญบุญคืออะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันเขาว่าบุญก็คือบุญอบุญก็ ค, คือความสุขนะแต่พอมาศึกษาที่หลังคือความสุขกายสุขใจคือทําได้ถูกต้องต่อ คุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมกฎระเบียบวินัยของพระสงฆ์เมื่อทำถูกต้องแล้วเป็นบำเพ็ญเรื่องศีลสมาธิปัญญาตนเองก็ได้บุญกุศลส่วนหนึ่งจากนั้นบุญกุศลที่เราได้บำเพ็ญดีแล้วนี้ก็จะเป็นการเผื่อแผ่ขายายไปถึงพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายวงสาคณาญ า, าติเพราะพี่น้องปู่ย่าตายาย ฝากเลือดเนื้อเชื้อไข่ตระกูลนี้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเมื่อเราเข้ามาแล้วก็ตั้งอกตั้งใจประพฤติธปฏิบัติให้เป็นพระที่ดีเนนที่ดีศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนอย่างไรเราก็ปฏิบัติตามนเมื่อเราปฏิบัติตามแล้วกันเป็นบุญเป็นกุศลสุขกายสุขใจผู้ที่เข้ามา ญาติพี่น้องทั้งหลายเห็นก็นสุขใจนี่แหละอันนีค้คือเราเข้ามาศึกษาเราได้ความรู้มาจากใครได้มาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านไะ้ทำสั่งสอนจากนั้นก็นศึกษามาเรื่อยเรอั้งหลักพระธรรมวินัยด้วยพระไตรปิฎกด้วยตำรับตำราด้วยทำมาลลคิดด้วยตัวอย่างของมูพกเพื่อนที่เป็นรุ่นพี่ๆด้วย ที่เข้ามาศึกษาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์รุ่น พ, พี่เขาพาเดินยังไงตามหลักพระธรรมวินัยท่านจะให้ท่านสอนเราทุกขวักทุกคงพูดถ้าผมไม่ได้ฟังจากอาจารย์ซะก่อนหลวงปู่หลวงตาซะก่อนพ่อแม่ครูบาอาจารย์อาจารย์ซก่อนผมจะไม่ปฏิบัติผมจะไม่ทำจะพูดอย่างนั้นได้ยังไงมิ่านไล่หนีออกจากวัดนะท่านบอกว่าถึงเราจะพูดให้องไรเขาตาม องค์นั้นต้องไปบอกหมู่บอกกล่าวหมู่ไม่ใช่ว่าเราจะให้เราไปพูดทุกองค์ไม่ใช่เมื่อเมื่อเราพูดให้องค์ใดถึงจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องอที่ครูบาอาจารย์เออแขกคนจะมานะให้ปัดกวาดดูแลนะเนอะสิ่งที่หลับที่พักผ้าอาศัยเนอะอาหารการบริโภคนะักครูบาอาจารย์จะเข้ามาวัดน ะ, ะช่วงนั้นช่วงนี้นะ พระเถระผู้ใหญ่ให้ช่วยๆวยกันดูนะท่านสั่งองค์เดียวองค์นั้นไม่บอกไม่บอกไม่บอกหมู่เพราะไม่กล้าบอกหมู่เจ้าเองก็ไม่ปฏิบัติมันเสียการเสียงานขนาดไหนเนี่ยเพราะเหตุไรเพราะตัวเองเอไม่มีความสามารถขยันนั่นแนหะถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นหนะลวงพ่อเนี่ยต้องไล่องค์นั้นออกจากวัดทันทีแสดงเขว่าเข้ามาศึกษาแล้วไม่กว้างขวาง ไม่สามารถที่จะบอกกล่าวให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆ้องฟังทําให้เสียหายถ้าต่อไปภายภาคหน้าถ้าขืนอยู่ต่อไปภายภาคหน้ายิ่งเสียหายเพราะเหตุอะไรเพราะไม่กว้างขวางต่อไปไปอยู่ตามลําพังก้อนนีอพูดกับใครก็ไม่ได้ต่างหากนดูองค์เดียวนั่นแหละถ้าอยู่องค์เดียว อย่าไปทำความชั่วนะก็น่า น, น่านับถือเลื่อมใสถ้าอยู่องค์เดียวแล้วยังสันติสันโดด อ, อย่าสสแสวงหาลาภยศอีกต่างหากนั่นแหละหน่าตำหนินี่แหละอันนี้ก็คือการอยู่กับครูบ า, าอาจารย์ให้พวกท่านทั้งหลายฟังศึกษาพอหลวงพ่อใหญ่กับพ่อก่อกับครู ทำไมพูดอย่างนั้นพอหลวงพ่อเป็นสมณี น, นยอยู่กับองค์หลวงปูล่ลานตั้ง8ปี9ทั้งเป็นพระยังก็อยู่กับหลวงตา10บกว่าปีจากนั้นรวมกันแล้วอยู่กับครูบาอาจารย์ศึกษามาแล้ว20่สกว่าปีจึงได้ออกมาอยู่อย่างนี้ถึงจะออกมาอย่างนี้ก็เถอะพวกเราท่านทั้งหลายก็เห็นหลวงพ่อก็ยังเข้าไปศึกษาเข้าไปกราบอ่อนน้อมถ่อมตน กับองค์หลวงตาหลวงตาก็ยังมาโปรดยังมาดุดาว่าเกา่าแนะนำสิ่งที่มันไม่ถูกควรจะวางตัวยังไงควรจะปฏิบัติตนอย่างไรหลวงพ่อยังอยู่ในโอวาทของท่านอยู่พวกท่านทั้งหลายที่มาศึกษาควรคงจะรู้ว่าในขณะที่หลวงตายัางอยู่นั้นหลวงพ่อปฏิบัติตนอย่างไรหลวงพ่ออยู่ในโอวาทอยู่ในความกูบาอาจารย์ แต่มันถูกไหมมันผิดไหมเอีอ่อนเกินไปใช่ไหมหลวงพ่อก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนผิดถูกหลวงพ่อว่าสบายใจกว่าที่ท่านบอกกล่าวแล้วเราจะไปทําสิ่งที่มันที่ครูบาอาจารย์ไม่สบายใจเราก็ทําตรงที่ท่านสบายใจดูโจตามหลักธรรมให้ไหนเพราะฉนั้นหลวงพ่อเองจึงมั่นใจว่า เราใหญ่กับพ่อก่อกับครูเพราะนั้นลูกศิดลูกหาของหลวงพ่อทุกองค์ที่เขามาศึกษาเนี่ยองไหนกระโดดโลดเต้นออกนอกลูกนอ ก, นอกทางมักใหญ่ไฟสูงอยากจะได้ลาบอยากจะได้ยศอยากจะได้ให้คนยกย่องสรรเสริญผิดที่ผิดทางนี่แหละหลวงพ่อจะต้อง เ, ออเรียกเขามาปรับทัศนคติปรับปรับความเข้าใจวันนี้ไม่ใช่ เรามาเป็นพระนะอย่าลืมตัวเป็นพระต้องอยู่อย่างพระต้องอยู่ในหลักพระธรรมวินัยต้องอยู่ในกฎระเบียบของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาอย่างไรเราต้องดูดูแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เรานะอย่าออกนอกลูก่นอกทางนะอย่ามักใหญ่ไฟสูงนะอย่าไปใช้นักเลงนะต้องใช้คุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมคือความ อ่อนน้อมถ่อมตนแต่อย่าไปอ่อนเกินไปนะอย่าไปแข็งเกินไปนะแข็งก็รู้จักที่แข็งแข็งคืออะไรแข็งต่อหลักพระธรรมวินยัยแข็งก็แข็งต่อกฎระเบียบที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินมาแล้วนะให้แข็งจุดนั้นอะ่ะ อ, อ, อย่าอ่อนแ อ, อ, อถ้าหาว่าพวกเราอ่อนแอปวกเปียกแล้วนะพุทธศาสนาได้มัดกฎระเบียบวินัยทั้งหลายทั้งปวง เราต้องแข็งแต่อ่อนน้อมอ่อนน้อมยังไงต่อครูบาอาจารย์ต่อผู้คู่คนทั้งหลายต้องรู้จักกาละเทศะการสถานที่บุคคลการเช่นนี้เรามีอายุพรรษาอย่างนี้การอย่างนี้เราควรปฏิบัติตนอย่างไรสถานที่อย่างนี้เมื่อเข้ามาแล้วเราควรปฏิบัติตนอย่างไร บุคคลคนนี้เมื่อเข้าไปคบค้าสมาคมเราควรจะทำตนอย่างไงควรจะพูดอย่างไรควรจะแดงจสดงอากับกิริยาอย่างไรล้วนแล้วแต่ให้ใช้ปัญญาในการเป็นอยู่ทางบอกพวกเราใช้ปัญญาในการเป็นอยู่แล้ว เ, เราไปนะัสถานที่ใดจะไม่ขวางนะร่มเย็นเป็นจุกกันท่วนหน้าผู้อยู่ด้วยเราเขาท่านก็สบายใจเมื่อเราเข้าไปอยู่ราวางตัวถูกต้อง เราก็สบายใจสบายใจทั้งท่านทั้งเราแต่ถีอยังไงเราต้องดูว่าเมื่อผิดหลักพระธรรมวินัยตรงไหนอันนั้นเราต้องแข็งถึงจะเข้าไปหาครูบาอาจารย์กนะ็เถิอท่านบอกเออเอาเนี่ย เ, เงินอยู่ที่นั่นนะท่านไปจีบไปจับเอาซะไปเก็บไว้ไปจับนะอันนั้นบอกว่าเป็นอนามาจารยเราควรจะแข็งถี่จะเป็นครูบาอาจารย์รุ่นไหนก็เถอ เออพ่ะวินยัยท่านไม่ให้จับเงินและทองเนะนี่ยเราเนี่ยก็ต้องเราก็ต้องแข็งแข็งไม่ได้ครับผมทําไม่ได้ครับ อ, อคือมันผิดทรรวินยัยสิ่งไหนไม่ใช่ว่าเราจะอ่อนทุกอย่างไม่ใช่ อ, อถ้าเป็นในจิตหลักว่าทาวินยัยแล้วเราต้องแข็งต้องยึดหลัหลกทำคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกองค์ถึงจะเป็นหลวงปู่หลวงตาก็เถอะจะเป็นระดับไหนก็เถอะต้องเคารพหลักพระธรรมวินยัยเพราะทําทําวินยัยเนี่ย เป็นมาตรฐานตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วทำวินัยไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดไม่ใช่ของครูบาอาจารย์เป็นของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า ว, วางมาตรฐานไว้อย่างไรทุกองต้องอเคารพตั้งแต่หัวหน้าจนถึงปลายแถวเรื่องวินยัยต้องอเคารพต้องศึกษาในสิ่งเหล่านี้นะอันนี้คือแข็งแข็งต่อหลักพระธรรมวินัย แต่สิ่งที่มันควรจะอ่อนควรจะอ่อนยังไงที่ท่านแนะนำบอกกล่าวสั่งสอนที่เราไม่รูเ้เราจะไปแข็งกระด้างทุกอย่างไม่ได้ เ, เวลาท่านพูดคำไหนมากันนั้นไม่ตกหลักฝากดินคล้ายๆว่าตกคำไหนก็เถียงท่านคำนั้นต่อต้านคำนั้นขึ้นมานะอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่สิทธิที่ดี ไม่ใช่ผู้กข้ามาศึกษา เ, าเข้ามาแล้วก็บแบบแข่งกล้าวแข็งดีแข็งเด่นอีกต่างหากเดี๋ยวอยู่ทําไมอยู่เพื่ออะไรแผ่นดินเมืองไทยมันแคบเลยโลกใบนี้มันแคบขนาด น, นั้นแค่เหลือไม่มีที่จะไปแล้วเลย อ, อยู่ทําไมสิ่งเหล่านี้พวกเราท่านทั้งหลายต้องได้คิดทั้งหมดเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองจึงให้คําบอกกล่าวแนะนําแต่พูดพูดอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับแข็งกล้าวนะ เหมือนกับตัวเองเออด่าพระด่าคู่ด่าคนไม่ใช่หลวงพ่อบอกว่าแนวความคิดถูกต้องไหมหลวงพ่อว่าถามเสร็จแล้วหลวงพ่อพูดจบแล้วถูกต้องไหมถ้าหาว่าไม่ถูกต้องเอาคัดค้านมานะจะมีจดหมายน้อยเข้ามาก็าได้หลวงพ่อยินดีรับฟังเพราะหลวงพ่อเป็นประชาธิปไตยนะใครเขาว่าพูดตามหลักเหตุผลผิดต้องว่าผิดถูกต้องว่าถูก หลักธรรมที่ในตรงไหนอยู่อย่างไรต้องปฏิบัติตามนั้นต้องยึดหลักพระธรรมวินัยนะพานเนลูกหลานนะจัดทาญาตโยมนะให้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีนะให้คิดดีนะทําดีนะพูดดีนะอถ้าจะไปถ้าคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วหลวงพ่อก็ย้ําอยู่เสมอว่าอกรคำชั่วคำํำความชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลัง เพราะนั้นต้องคิดดีทำดีพูดดีมีแต่ความสุขความเจริญนะวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดแนวหนึ่งสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายนะเอาต่อในไปพระสงฆ์อนุมโมทนาให้ผ่อนรับผ่อนในะที่นี้นะา